สื่อมันติมีเดียวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นป .4 จัดทำโดยนางสาวซุมาลีพาสี